ช่วงนี้ก็ยังขึ้นขันทบัพระอยู่นะยังเรียนเรื่องขันที่เป็นธรรมานุปัสสนาสติปทานพิจารณาขันทั้งหมดเลยทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเราจะเข้าใจเรื่องขันได้มากกว้างขวางก็อาศัยขันทวรวัตรที่พระอ น, นุนหรือพระมหากระสปะเป็นต้นที่ทําปฐมสังคยนาท่านเรียบเรียงขันเอาไว้ เกี่ยวกับเรื่องขันเกิดมาเล่มหนึ่งเนีนย่ยนะถ้าท่านเหล่านั้นนะสมมติถ้าท่านเรียบเรียงธรรมะแบบว่าวันแรกพระพุทธเจ้าพูดคำไหนว่าพระพุทธพจน์อะไรวันที่สองพระพุทธพจน์อะไรวันที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, ห10จนถึงวันสุดท้ายที่พระองค์ดับขันปรินิพานเนี่ยนะแล้วไล่วันไล่พอสอไล่เดือนไล่ปีไล่สูตรไล่ทุกคาทุกกเบียนิ้วนะ เรานี่ศึกษาไม่รู้จะเข้าใจแบบไหนไม่ทราบ น, นี่นะแต่ท่านท่านมารวบรวมเลยเช่นเรื่องยาวๆไว้กลุ่มยาวนะเรียกว่าทีนิไก น, นี่นะเรื่องานกลางเอาไว้ชุดเดียวกันเรียกว่ามัชชิมนิไก น, นี่นะเรื่องเป็นกลุ่มๆเลยนะเช่นกลุ่มเทวดาไว้ในสังยุตอย่างเงี้ยเรียกสังยุตตะนิกายนะกลุ่มปฏิจจสมุปบาทไว้ในนิทานนวักอย่างเงี้ยนะกลุ่มขันเอาไว้ขันทวารวักกลุ่ม อายตนะก็ไว้สลายตนะวักกลมโพชชงเป็นต้นเนี่ยนะสติปทานโพธชงก็ไว้ในมหาวารวักอย่งจะไว้เป็นวรคเลยทีนี้ธรรมะกลุ่มหมวดหนึ่งหมวด2หมวด3ามหมวดสี่เขาบว่าไว้เป็นอังคุตเลยว่าแงบบั้นแทะเอกะทุกะติกะนิบาทเนี่ยนะแล้วก็ยังกล่าวถึงคัมภีอื่นๆเช่นคุถการนิกายกไยนะ็ไว้เป็นชุดเป็นชุดเนะไว้เป็นชุดเั็นสะดวกต่อการศึกษา ม, มากเนี่ยนะสะดวกต่อการพิจารณาแล้วก็ค้นคว้า ผู้ที่ทรงจำโครงสร้างพระไตรปิฎกได้เนี่ยนะจะหาค้นหาข้อมูลไม่ค่อยยากเนะเพราะชุดเรื่องมันจะบอกไว้ว่าจะอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนเพราะฉะนั้นก็บอกว่าบารรลุกบางท่านก็บอกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยจัดเป็นหมวดหมู ง, ง่ายที่สุดดูแลสะดวกที่สุดเหมือนกันเถอะขันธวรวัช ก, ก็เป็นกลุ่มธรรมะที่เอามาพิจารณา ประกอบในการพิจารณาขันให้ศึกษาเอาไว้ลหลายๆวิธีจะเห็นพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าที่มีกรุณาต่อสัตว์เนี่ยนะสแสดงธรรมะไว้อย่างหลากหลายอันนี้พูดถึงพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าที่ทําให้พระองค์ไี้สแสดงธรรมไม่หลากหลายมากและให้เห็นอัธยาสัยของสัตว์ที่วิจิตรที่สดานมากสัตว์นี้คิดโอ้โหแต่ละคนนี่คิดไม่เหมือนกันจริงๆ นะเรื่องขันอย่างเดียวนะคิดกันคนละแง่คนละมุมก็สูตรในขันทาวาระกษ์นะประทับใจกันคนละไม่กี่สูตรอตประทับใจไม่เหมือนกันนะ้องมานี่ชอบอยู่สูตรเดียวนะจำง่ายะนะที่ชอบนี่คือเออความใชอบสองสูตรสูตรที่พระท่านไปลาพระสารีบุตรไปจาริกะนะ และภาษาบริบทบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรมีวาทะสอนว่ายังไงนะสูตรนั้นก็ชอบก็ชอบอีกสูตรหนึ่งก็คือนัตตมหาตุ ก, กาสูตรก็บอกว่าขันห้าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายงั้นชอบสองสูตรนี้มากสูตรที่เหลือนี่ก็ชอบในฐานะว่าโอ้โหเนื้อหาดีมากนะแต่ว่าสองสูตรนั้นคิดแล้วสบายใจเลยนะ บอกรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปเสียรูปที่เธอทั้งละรูปที่เธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเออฟังใช่ที่เรามาทุกนี่ก็เพราะทุกเรื่องรูปนั่นแหละนี่ถ้าหากว่าละฉันทราคาในรูปนั้นสีเราก็ไม่ทุกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นไม่สบายใจเรื่องใดขึ้นมาก็อันเนี้ยสูตรนี้ขึ้นมาก็ถูกยาเลยบ่างั้นก็อีกสูตรหนึ่งก็นึกว่า พระพุทธเจ้าของท่านเนี่ยสอนว่ายังไงบอกว่าสอนให้กําจัดฉันทราคะในขันธ์ทั้งหลายว่าไงสอนให้กําจัดฉันทราคะในขันธ์ทั้งหลายถ้าไม่กําจัดฉันทราคะในขันธ์อะไรจะเกิดขึ้นถ้ากําจัดแล้วจะมีคุณยังไงเนี่ยถ้ากําจัดฉันทราคะในขันธ์ทั้งหมดมีคุณยังไงเราก็เออเอาโจทย์นี้มาตั้งแล้วก็จะเห็นตรายศึกขาว่าที่เราศึกษาและปฏิบัติทั้งหมดก็เพื่อเพื่อเจริญตามแนวนี้นะ เพื่อกำจัดชันทราคะในอุปาทานขันห้าทีนี้ไอการที่จะกำจัดชั้นทราคะในขันห้าจะต้องรู้จักขันห้าขนาดไหนจึงจะละอาไลอาวอนในขันห้าได้เพราะปกติทั้งหลายปกติในิสัตว์เนี่ยยึดติดรักขันห้าหลายคัมภีร์ท่านอุปมาว่ารักอุปาทานขันห้าโดยเฉพาะรักขันภายในเนี่ยนะเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งที่รักพัญญาที่สุดว่างั้นเถอะ ก็บอกว่าจากกันครู่หนึ่งไม่ได้เลยอ่ะรักมากขนาดนั้นแล้วก็ทีนี้ถ้าหากว่าเห็นพันยาคนนั้นไปคุยกับชายอื่นแล้วเขาจะคิดยังไงเห็นไหมก็เดือดร้อนใจเป็นอย่างมากเห็นไหมทีนี้ของเรานี่ยยึดติดขันมากเลยขันมากถ้าลองขันใดขันหนึ่งมันเป็นยังไงยังหนึ่งขึ้นมานะเอาไหมเอาแบบที่มันนอกตัวเลยก็ได้เช่นผมที่มันออกนอกตัวมันไม่ได้เจ็บได้ปวดอะไรหรอกถ้ามันแค่ผิดทรงหน่อยนะ ก็เดือดร้อนนะนะหรือไม่ก็ผมเนี่ยเกิดแล้วทุกคนผมมันมันตั้งโดเลยนะมันเอายังไงก็เอาไม่ลงเลยนะเดือดร้อนอีกแนะ่เล็บเนี่ยมันยาวเรื่อยๆตัดก็ไม่หยุดเนี่นะแล้วมันออกมาเรื่อยๆๆก็เดือดร้อนอีกอย่าว่าถึงภายในเลยนะี่ยนะภายในถ้าอันใดอันหนึ่งมีปัญหานี่เดือดร้อนหมดเลยเพราะฉะนั้นยึดติดมากมันเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้โหสะเทือนใจหมดเล ย, ยนะเพราะฉะนั้นไอ้วิเคราะห์คํามารูป ก็ชัดเจนที่บอกว่าถ้ารูปมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนถึงหาไทยด้วยว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นรูปารมณ์เป็นต้นหรือไ อ, ไอ้อุปาทานขันห่านี้มันไม่ธรรมดาจริงๆเพราะฉะนั้นการศึกษาหรือการปฏิบัติธรรมเพื่อกําจัดฉันทราค่าในขันห่านนี้ถือว่าเป็นหลักเป็นหัวใจของศาสนาเราเนี่ยนะเพราะว่าการกําจัดฉันทราค่าในอุปาทานขันห่าได้แล้วอยู่เป็นสุขอย่างยิ่ง อนาถบินทิกะถามพระพุทธเจ้าว่าพราะองค์หลับเป็นสุขดีหรือก็บอกว่าอ้ภาระหันที่ไหนก็หลับเป็นสุขหมดนะสบายหมดในทุกอิริยาบถสิถามว่าทำไมเพราะว่าท่านไม่มีฉันทราค่าในขันห้าคนที่ทุกข์ๆนี่ก็ทุกข์เพราะขันท่านั่นแหละถ้างั้นทีนี้ผู้ที่ศึกษาขันธบับพะในสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาแล้วก็ ตัดชันทราค่าในขันห้าได้ก็จะอยู่เป็นสุขในทุกขอิริยาบถเลยไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนผ่ารหัสทั้งหลายเนี่ยท่านจะตายหรือท่านเป็นอยู่ในจิตของท่านเสมอกันใช่ไหมของเรานี่ยังไม่เสมอใช่ไหมเพราะเรายังเยื่อใยในขันห้าเนี่ยนะแต่ก็ศึกษาธรรมะเหล่านี้ก็หวังใจไว้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องตัดฉันทราคะในขันห้าให้ได้ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ตัดแล้วยังเยื่อใยในขันห้าล่ะ เดี๋ยวขันทมันจะตัดเราเองเอุสาสมมติว่าเราเยื่อใยมันนะไม่ใช่ว่าขันท่ามันจะเชื่อฟังเราใช่ไหมบอกฉันจะอยู่กับคุณอีกสิปียี่สปีสาสิปีนะขันท่าบอกฉันไม่อยู่กับคุณอ่ะนมันก็ค่อยเสียหายไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะในปาลีลายสูตรเนี่ยนะสังยุตติกายขันธวรวัคอ่านอัตกะาก่อนนะ จะได้อ่านพระสูตรอัตขขาจะสาวเรื่องราวว่าก่อนที่พระองค์จะตรัสสูตรนี้เรื่องราวเป็นยังไงหน้าสองรอยี่สิบเก้าเรื่องราวก่อนที่พระองค์จะไปประทับจำมัณษาที่ปาริเลยะกะก็ภิกษุโกสัมพีเนี่ยทะเลาะกันเนพระทะเลาะกัน พระถ้าทะเลาะกันนะถ้าเด็กวัดทะเลาะกันมันไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมหรือสมัมมณีนทะเลาะกันมันจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าอาจารย์กับอาจารย์ทะเลาะกันนะมันเดือดร้อนหมดเลยสองกลุ่มเลยนะอาจารย์สองฝ่ายลูกศิษย์คนละห้าอยลูกศิษย์ไม่ได้อิโ น, โนอิเนอะไรกัเข้าหรอกแต่ว่าอาจารย์ทะเลาะก็เลยแบ่งพวกกันอาจารย์ก็ทะเลาะเรื่องน้ําขันเดียวไม่ได้เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกเห็นไหมอาจารย์ผููเป็นธรรมก็เถิกไปเข้าห้องน้ํา ทิ้งเหลือน้ําเอาไว้ในขันน้ำมันนะคือคือไม่เทให้หมดไม่ก็นวนว่าไอ้น้ำเหลือนในขันปกติดูแล้วมันจะน่าเกลียดไหมพระวินยัยท่านถือว่าเป็นอวบันเสร็จ แ, แล้วอาจารย์ที่เป็นธรรมก็จจึกไม่รู้ก็ไปเหลือน้ําค้างเอาไว้อย่างนั้นนะเสร็จ แ, แล้ววินัยทอนก็ไปก็ถามอ้าวใครมาทํำว่าอย่างงี้ ก็บอกผมเองครับบอกวันอา้าไม่รู้ว่าเป็นอาบาัตหรือเออผมจะทําคืนก็บอกถ้าคุณไม่เจตนานะไม่เป็นหรอกทีนี้คือใช้คําว่าไม่รู้อ่ะนะคือไม่เจตนาจะเอาไว้อย่างนั้นอ่ะไม่เป็นอาบาัตหรอกธรรมะก็ถึกเข้าใจผิดนะทีนี้อาจารย์ที่เป็นวินัยทรนนี่ก็ไปเล่าให้ลูกศิษย์ฟังนะก็หมิ่นอาจารย์ฝ่ายธรรมะก็ถึกนักอภิธรรมว่าโอ้ดีแต่สอนนอภิธรรมนะวินัยแค่นี้ก็ไม่รู้ ลูกศิษย์นี่ก็ได้ช่องอนะใส่คอมเมนต์คอมเมนต์กันบ้างอยู่แล้ว<ม>ก็ไปละคมทางโน้นอาจารย์ท่านเนี่ยวินัยแค่นี้ก็ยังไม่รู้เลยเนะลูกศิษย์ก็ไปเล่าให้อาจารย์ฟังบอกเอ๊ะวินัยทรนนี่มันพูดไม่ซื่อเกี่กว่ามูสานี่ตอนแรกบอกไม่เป็นตอนหลังว่าเป็นอีกอาจารย์ฟังโน้นไม่มีศีลนี่ก็เลยว่ากันไปว่ากันมาถกกันไปถกปถกันมาก็า้ฮะแบ่งเป็นสองกกขึ้นมาทันที บ่งกันสองกทะเลาะกันนะทะเลาะกันทั้งวันทั้งคืนไม่รู้ทะเลาะกันได้ยังไงนี่นะวัดเดียวกันอะนะว่ากันไปว่ากันมาว่ากันมาว่ากันไปพระพุทธเจ้าก็ไปห้ามเออห้ามยังไงก็ไม่ฟังพระองค์เล่านิทานเรื่องพระเจ้าทีคีติโกศลมาเล่าว่าเวนเนี่ยมันไม่ได้ระงับด้วยการจองเวนรกยังไงก็ไม่ฟังอะนะบอกว่าพระองค์นิ่มนหลีกเรนอยู่ผาสุขเถอะฆ่าพระองค์จินดีจะทะเลาะกันเองว่างั้นนี่นั่นนะ พอใจที่จะทะเลาะนะพระพุทธเจ้าก็ <c oughs> ที่พระองค์ไปสอนให้เจริญเมตตาต่อกันอ่ะนะอย่าไปทะเลาะกันเลยเขบอกว่าทางโลกนะเขาเขาฆ่าพ่อฆ่าแม่กันนะอีกฝ่ายหนึ่งก็มาฆ่าฝั่งนี้อีกฝั่งนี้ก็ไปฆ่าฝั่งโน้นอ่ะเขาก็ยังมีสมัครสมานสามัคคีมีเมตตากันในภายหลังของเธอทั้งหลายมันไม่ได้อะไรเลยนะ่ น่าจะสมัครสมานมีเมตตาต่อกันได้แล้วพองศ์ก็บอกว่าเวนเนี่ยมันไม่ได้ระงับโดยการจองเวนรอกก็เพลกซ์ูเหล่านั้นก็ไม่ไม่เลิกทะเลาะทะเลาะกันคืนยันรุ่งอ่ะนะคืนยันรุ่งคืนยันรุ่งอ่ะนะอยู่อย่างนั้นสามวันด้วยกันทะเลาะกันได้สามวันสามคืนอ่ะของไทยไม่มีนะขนาดนั้นแต่จริงๆนะอย่าไปดูหมิ่นกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้มีอุปนิสัยอรหัตตมรักกันทั้งนั้นอ่ะนะ แต่อย่าลืมว่ากิเลสมันก็คือกิเลสวันยังค่อมเนะี่ยถ้ายังไม่บรรลุก็สมมติว่ายังไม่บรรลุนะก็ถ้าสายเนี่ยพุศวาจาว่ากันไปว่ากันมาก็ลักษณะนี้ถ้าสายปานาติบาศก็ถือดาบไล่ฆ่าคนแบบพระองค์คุลิมานนะั่นแหละถ้ายังไม่บรรลุนะหรือไม่ก็ไปเที่ยวดื่มสุราย่ําเป๊อยู่นั่นแหละตอนหลังจึงได้ตรัสรูธร้ธทำอันนี้ผู้ที่มีอุปนิสัยนะผู้ไม่มีอุปนิสัยนี่ก็อย่างนั้นยาวเลยว่างั้น จะเห็นโทษของกิเลสเนี่ยนะทีนี้พระพุทธเจ้านี้ไปเทศห้ามอยู่สมวันด้วยกันเนี่ยนะก็ไม่เลิกทะเลาะกันภิกษุรูปหนึ่งก็กราบทูลกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงข ว, ขวนขวายน้อยมันประกอบการประทับอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอยู่เถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจักปรากฏเพราะความบาดหมางทะเลาะวิวาทกันครั้งนี้เองเหมือนกัน ่รุปว่าจะขอทะเลาะกันอย่างเงี้ยต่อไปพระองค์อยู่นิ่งๆเธอว่างั้นภาษาสดาก็คิดว่าโมฆะบุรุษเหล่านี้มีจิตถูกโทสะครอบงำแลแต่ถาคตไม่สามารถจะไกลเกลี่ยมโมฆะบุรุษพวกนี้ให้ยอมกันได้เล ย, ยนะคิดดูนะมันทะเลาะขนาดพระพุทธเจ้ายัางห้ามไมา่ยู่นะแล้วก็ทรงดำริอีกว่าประโยชน์อะไรของเรา ตถาคตกับโมฆะบุรุษเหล่านี้เราตถาคตจะอยู่ด้วยการเที่ยวจาริกไปคนเดียวนะไปอยู่คนเดียวดีกว่าเหมั้งพระพุทธเจ้ายังคำนวณว่ายังหนีเลยมั้งภาษาสดาทรงดรําเด็กอย่างนี้แล้วรุ่งเช้าก็ทรงชําระพระวรากายเรียบร้อยได้เสด็จออกเที่ยวบินธบาตในเมืองโกสัมพีไม่ได้ตราเรียกใครๆให้ตามเสด็จไปด้วยพระองค์เดียวเท่านั้นเสด็จหลีกจาริกไปไม่มีเพื่อนสองอย่างนี้น พระเถระกล่าวคํานี้ว่ายศมิงอวุโสสมยีก็เพราะท่านพระอนุนเนี่ยได้กระทราบการเสด็จเที่ยวไปของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหมดคือกิริยาอาการของพระผู้เจ้าอย่างใดนะพระอ น, นุจะรู้ทั้งหมดเลยคือรู้ว่าวันนี้พระองค์จะไปแต่เพียงผู้เดียวหรือจะไปสองรูปหรือต้องการให้ภิกษุติดตามยังไงเนี่ยนะกิริยาอาการของพระผู้เจ้าพระอ น, นุจะรู้ทั้งหมด อย่างเช่นว่าวันนี้พระผู้เทอเจ้าจักเสด็จหลีกไปกับภิกษุรูปเดียววันนี้จัดเสด็จหลีกไปกับภิกษุสองรูปร้อยรูปหรือว่าพันรูปวันนี้จัดเสด็จไปเพียงลําพังพระองค์เดียวคือการเสด็จเที่ยวไปของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหมดเนี่ยปรากฏคือแจมแจ้งแก่พระอานนุ์ทั้งหมดเลยนะท่านท่านเก่งขนาดนั้น <c oughs> บทว่าอนุ ป, ปุเพนะความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเที่ยวบินธบัต ไปตามลําดับคามนิคมพลางประสงค์จะโปรโดภิกษุผู้อยู่ด้วยการเที่ยวจาริกไปแต่ลําพังจึงได้เสด็จไปยังพาลกะโลนกาลคามณภารกะโลนการคาม น, นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอนิสงส์การอยู่ด้วยการเที่ยวจาริกไปตามลําพังแก่พระพะักตรเถระนะตลอดเวลาหลังสเสวยพระกยาหารเสร็จในเวลากลางวันและตลอดทั้งสมยามในกลางคืน โอโคือไปเห็นพระพิสูจ์เป็นพันพันรูปทะเลาะกันในวัดในเมืองโกสัมพีอ่ะนะพระองค์ก็ไปหาพิสูจน์ที่อยู่รูปเดียวคือพระภคุเนี่ยพระองค์เทศอันนี้สงอ์การอยู่คนเดียวเนี่ยเกือบ24ชั่วโมงเนี่ยนะก็บอกว่าตั้งกระชันเสร็จนะชันเสร็จก็ประมาณสักเก้าโมงเนี่ยจนถึงสว่างเลยนะคิดดูว่ากุลเนี่ยนะรวม2ี่สชั่วโมงอ่ะนะเทศอันนี้สง์การอยู่คนเดียวอ่ะนะ ว่าอยู่คนเดียวนี่ดีจริงๆก ร, ระเสิร์จริงๆเนี่ยนะโง ก, ก็เทศอั น, นิสงการอยู่ผู้เดียวนี่วันรุ่งขึ้นก็มีพระเถระเป็นปัจฉาสมณะเสด็จเที่ยวบินทบาทแล้วทรงให้พระเถระนั้นกลับณที่นั้นนั่นเองดํ่ริว่าเราตถาคตจักโปรดกุลบุตรสามคนคือภิกษุสมรูปผู้อยู่ด้วยการสมัครสมานเนี่ยนะก็เสด็จดาเนินต่อไปยังป่า ป, า, ปาจีนวังศัก พระองค์ได้ตรัสอ น, นิสงส์การอยู่ด้วยการความสมัครสมานสามัคคีกั น, นแก่ภิกษุสามรูปตลอดคืนเทศอ น, นิสงส์ของความสามัคคีว่าความสมัครสมาสามัคคีเนี่ยดีจริงๆอนะนะความสมัครสมานสามัคคีเนี่ยทำให้มีความสุขพระองค์ก็เทศอยู่อย่างนี้เกือบเกือบยี่สสี่ชั่วโมงว่างั้นเถอะนะว่าสามัคคีกันนี่ดีจริงๆเนี่ยนะ เสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จหลีกไปสู่เมืองปาลิลยกะตามลําพังพระองค์เดียวเสด็จถึงเมืองปาลิลยกะตามลําดับได้ไหมในก็มาเข้าในสูตรว่า <c oughs> สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณโคสิตารามใกล้พระนครโกสัมพีครั้งนั้นแลเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงผ้าอันตรวาศกทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังพระนครโกสัมพีเพื่อบินทบาท ครั้นเสด็จเที่ยวบินธบาตในพระนครโกสัมพีแล้วในเวลาปัจฉาพัดเสด็จกลับจากบินธบาตแล้วทรงเก็บงำเนี่ยนะเสนาสนะด้วยพระองค์เองทรงถือบาทและจีวรม่ได้รับสั่งเรียกพวกภิกสุที่เป็นอุปทาคมิได้ตรัสอำลาพระพิสุสอ์พระองค์เดียวไม่มีเพื่อนเสด็จหลีกไปสู่ที่จาริกครั้งนั้นแลพิสุรูปหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปแล้วไม่นานได้เข้าไปหาท่านพระนอนุชนถึงที่อยู่ ครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพรานนว่ามาเถอะท่านพรานนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเก็บงาําเสนาสนะด้วยพระองค์เองทรงถือบาทและจีวรมิได้ทรงรับสั่งเรียกพวกภิกษุที่เป็นอุปถาคมิได้ตรัสอําลาภิกษุสงฆ์พระองค์เดียวไม่มีเพื่อนเสด็จหลีกไปสู่ที่จาริกท่านพรานนตอบว่าอวุโสในสมัยใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเก็บงาําเสนาสนะด้วยพระองค์เองทรงถือบาทและจีวรมิได้ทรงรับสั่ง เรียกพวกพิสษจที่เป็นอุปถาไมิได้ตรัดอำลาภิกษุสงฆ์พระองค์เดียวไม่มีเพื่อนเสด็จไปสู่ที่จาริกสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงพระประสงค์ที่จะประทับแต่พระองค์เดียวสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมเป็นผู้อันใครๆไม่พึงติดตามเนี่ยนะก็ไปแต่ผู้เดียวเลยพระมาณครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปโดยลาดับเสด็จถึงป่ า, ป า, ป, าปาลิลัยกะ ข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณควงไม้รังอันเจริญในป่าปาลิลัยะกะนั้นก็คือต้นไม้เป็นต้นต้นสาระนะต้นไม้รังคือสาระที่มันใหญ่มากพงก็ที่ใหญ่ที่สุดในป่านั้นนะพงก็ไปอาศัยโคนต้นไม้ต้นนั้นอยู่แล้วก็อยู่จำพรรษาตลอดสามเดือนเนี่ยนะก็คือชาวบ้านก็ไปสร้างกุฏิให้ด้วยเนี่ยพงก็ประทับอยู่ในกุฏินั่นแหละ ครั้งนั้นแลพิสูจมากรูปด้วยกันเข้าไปหาท่านพระอรนุนถึงที่อยู่ครั้นแล้วต่างก็สนทนาปราศัยกับท่านพระอรนุนครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงการไปแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระอรนุนว่าท่านอนุนนานแลว้วที่พวกผมได้สดับธรรมมีกระถาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านอนุนพวกผมปรารถนาที่จะสดับธรรมมีกระถาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้า ลำดับนั้นแล่ท่านท่านนพร้อมกับภิกษุเหล่านั้นพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับณโคนไม้รังอันเจริญในป่าปาลิัยยกะครั้นแล้วต่างถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังภิกษุเหล่านั้นให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงด้วยธรรมีกระทาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังอ่ะนะคือ อยู่ในสูตรอื่นอยู่ในที่อื่นเนี่ยนะท่านก็ลัดมาเนี่ยนะลัดมาเฉพาะตรงความคิดของพิสูรูปหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะก็โดยสมัยนั้นและพิสูรูปหนึ่งได้เกิดความปริวิตกแห่งใจขึ้นว่าเมื่อบุคคลรู้อย่างไรเห็นอย่างไรหนอาหนอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปโดยลําดับนะรู้เห็นยังไงจึงจะหมดกิเลสเหมือนกันเถอะพระพิสูรูปนี้ท่านคิดขึ้นนะไห พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความปริวิตกแห่งใจของพิสูจนนั้นด้วยพระไทยจึงตรัสเรียกพิสูทั้งหลายมาตรัสว่าดูกรพิสูนทั้งหลายเราแสดงธรรมะด้วยการเลือกเฟ้นเนี่ยนะแปลว่าวิจัยโสว่างั้นะเลือกเฟ้นเนี่ยมาจากวิจัยโสก็คือวิจัยนั่นเองนะพระพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงธรรมทั้งหมดเนี่ยพระองค์วิจัยแล้วนะจึงแสดง น, นะธรรมะที่พระองค์วิจัยแล้วเนี่ยจึงแสดงคือ สติประฐานสี่ด้วยการเลือกเฟ้นะแสดงสมัมมาประธานสีด้วยการเลือกเฟ้นแสดงอิทธิบาทสด้วยการเลือกเฟ้นแสดงอินรีห้าด้วยการเลือกเฟ้นแสดงพละห้าด้วยการเลือกเฟ้นแสดงโพชฌงเจดด้วยการเลือกเฟ้นแสดงอริยมรตมีองค์8ดด้วยการเลือกเฟ้นนะพอองค์เลือกเฟ้นวิจัยหมดแล้วนะตรงนี้ยกเอาเฉพาะธรรมะที่จะทาให้ตรัสรู้อย่างเดียวนะ หรือที่เราคุ้นเคยกันในนามว่าโพธิปธรรัจข ย, นะยธรรมเนี่ยนะโพธิปัจขยธรรมเนี่ยที่พระองค์เฟ้นมาว่าธรรมะเหล่านี้นี่แหละจะช่วยทำให้ตรัสรู้อริยมรรคเนี่ยนะหรือตรัสรู้อริยสัจแทงตลอดพนิพานเนี่ยนะก็เลือกเฟ้นมาแสดงนะว่าตั ว, ต, ว, ต, วตัวสาระของคำสอนนี่อยู่อยู่ในธรรมะกลุ่มนี้จรงิงๆอีกแห่งบางแห่งนี่บอกเลยว่านี่คืออภิธรรมเนี่ยนะ โพธิปัจจยธรรมสิบประการเนี่ยแหละคืออภิธรรมเนี่ยนะเพราะอะไรถือว่าเป็นธรรมอันยิ่งธรรมที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้ะนะทีนี้ก็ธรรมะเหล่านี้จะมีส่วนรายละเอียดอยู่ที่อารมณ์นั่นเองอยู่ที่การเข้าไปปรารบอารมณ์เนี่ยนะก็ควรจะคิดดูนะควรจะศึกษาดูว่าเอ๊ะถ้ามีรูปเป็นอารมณ์เนี่ยนะเจริญโพธิปัจจยธรรมได้ยังไง เนี่ยถ้าถ้าจะเอาแบบไม่เอาศีลสมาธิปัญญานะเอาแบบกว้างขวางเห่างนั้นเนี่ยโวกอาจรก็มาคิดใหม่ไม่เอาแล้วตรายสิกขาเอากว้างขวางเอาโพธิปักจยธรรมเลยเอ๊ะนี่มีรูปเป็นอารมณ์เจริญโพธิปัจจะธรรมได้ยังไงเนี่ยอันนี้ได้ยินเสียงและเจริญโพธิปักจยธรรมได้ยังไงอย่างนัอันน่ะถ้าใครที่ใยที่จะคิดอะไรที่ไม่คับแคบนะก็เนี่ยเอาทั้งสาสิบเจ็ดนั้นมาเจริญดูเนี่ยนะ ยกตัวอย่างได้เอ๊ะได้ยิน เ, เห็นรูปแล้วยังไงชื่อว่ามีความเพียรยังไงชื่อว่าเกียรติครั้นอย่างนี้ก็ได้นะถ้าจะเจริญสัมมปทา น, น, นอ่ะนะเอะเห็นสีแล้วทาไมจึงเรียกว่ามีสัทธามีสัทธาได้หรือเห็นนะสตินรีน่ะนะหรือว่าวิริยินรี์สตินรียสมาธินรีปัญญินรีเงี้ยนะก็เอาโพธิปบบัจจะธรรมมามาไข้ครวนมาเจริญดูเพราะว่าธรรมะเหล่านี้ต้องรู้อารมณ์อยู่แล้วใช่ไหม ก็ทำยังไงว่าเมื่ออารัมมณะปัจจัยเกิดขึ้นแล้วกุศลธรรมเหล่านี้จเจริญงอกงามขึ้นได้ น, นะคนนั้นก็ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมชั้นชั้นยอดนันะใครที่สามารถทำจเจริญได้อย่างนี้นนะก็ถือว่า โ, โหฝีมือสูงส่งมากนนั้นดูก่อนที่สูทั้งหลายเราได้แสดงธรรมะด้วยการเลือกเฟ้นเช่นนี้ ดูก่อนพิสูนทั้งหลายธรรมะอันเราแสดงแล้วด้วยการเลือกเฟ้นเช่นนี้อันนี้แสดงว่าซ้ำสองรอบเออก็มีพิสษุบางรูปในธรรมะวินัยนี้ยังเกิดความปริวิตตกแห่งใจขึ้นว่าเมื่อบุคคลรู้อย่างไรเห็นอย่างไรหนออาสะวะทั้งหลายจึงสิ้นไปโดยลำดับเนี่ยนะคล้ายๆว่าคำถามแบบนี้ไม่ควรมีหรือไงเนีน่ยนะว่าก็แสดงโพธิปักขยธรรม37 ประการเนี่ยชัดเจนแล้วเลือกเฟ้นมาแสดงหมดแล้วยังสงสัยว่ารู้เห็นยังไงอาสวะกิเลสจึงจะสิ้นไปเนี่ยนะแสดงว่าตอนแรกก่อนนะพระองค์ยกอริยมรรคขึ้นมาก่อนนะแสดงเน้นมรรคสัตว์ก่อนทีนี้บทต่อไปเนี่ยจะเริ่มแสดงทุกขสัตว์ขึ้นเนี่ยนะตัวสาระคือการปฏิบัติธรรมในาศาสนานี้คือโพธิปัจจะธรรมนะตัวนี้คือหลักการหรือข้อปฏิบัติทีนี้ พอที่ปักขยธรรมเหล่านี้เข้าไปรู้อะไรเข้าไปเข้าไปรู้อะไรเข้าไปละอะไรเนะีนะ่ยตรงนั้นเน่ยเป็นธรรมะที่จะแสดงต่อไปนะนะดูความพิสูจน์ทั้งหลายก็บุคคลรู้อย่างไรเห็นอย่างไรอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปโดยลําดับนะนะอันนี้ขอย้อนทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะ คําว่ารู้เนี่ยนะคำว่ารู้เนี่ยถ้ากล่าวโดยนามรูปนี้เป็นอะไรเป็นเป็นนามธรรมใช่ไหมเป็นนามธรรมทีนี้ความรู้ในาศาสนานี้ต้องเป็นความรู้ที่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์เป็นความรู้ที่ไปเพื่อแทงตลอดมรรทเนี่ยนะที่ความรู้อันนั้นถ้าจะย่อมาก็เรียกว่าไตรสิกขาก็ได้ สาเก็บทิ้งนะใครเก็บไวให้อีกอนุรักษ์มากเดียวกันนะเธอย่อมาก็คือไตรสิกขาถ้าขยายเพิ่มอีกนะถ้าขยายเพิ่มไปอีกก็คืออะไรตัวความรู้นั้นต้องเป็นสติ ป, ฐ า, ตปฐานสติปฐาน4สัมมปทานสี่อ่านะอิตทิบาท4นี่ไง อินซีห้าพละห้าโพชงเจ็ดเนี่ยนะแล้วก็มรคแปดธรรมะธรรมะเจ็ดกลุ่มเนี่ยนะธรรมะเจ็ดกลุ่มเนี่ยคือความรู้เนี่ยนะตัวนี่คือตัวความรู้นะไม่ใช่รู้แบบ อนุภาพของจิตเห็นจิตได้ยินใอรู้แบบนี้ทำให้พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะใครก็รู้แบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมแต่ความรู้ที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้ความรู้ที่จะทำให้ตรัสรู้อริยสัจ ต, ต้องเป็นความรู้ที่เกิดร่วมกับสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินทรีพรพโพชงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดหรือทั้งหมดนี้เรียกว่าพรหมจรรย์นี้ก็ได้ยังไง ใครที่มีกุศลธรรมเหล่านี้อยู่ในตัวเรียกบุคคลนั้นว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์เพราะพรหมจรรย์นี้แปลว่าประเสริฐเนี่ยนะแปลว่าประเสริฐนี่คือความประพฤติประเสริฐที น, นี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้เนี่ยนะว่าทั้งหมดเหล่านี้ถ้าจะย่อๆก็คืออะไรศีล น, นะนะสมาธิแล้วก็ปัญญาหรืออีก ย่อมาอีกหนายหนึ่งก็คือสมถะนี่นะแล้วก็วิปัสนาสมถาวิปัสนาเนี่ยพวกนี้เป็นกุศลธรรมซึ่งเป็นนามธรรมถ้าว่าแบบภาษาอภิธรรมก็คือทั้งหมดเนี่ยคือจิตและเจตสิกเท่านั้นเองเนี่นะโพธิปัคขยธรรมเหล่านี้คือจิตและเจตสิกธรรมชาติของจิตเจตสิกต้องรู้อารมณ์ อารมณ์ันนั้นคืออะไรเอารมณ์ที่จะทำให้กุศลแธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นอารมณ์ม น, นั้นก็คือเในในสูตรนี้ก็แสดง23าฐานะเนไรู้ใน23ากลุ่มเนี่ยเป็นผ้ารหันได้หมดเลยเพราะฉะนั้นที่ว่าสูตรนี้กล่าวอารหั ต, ตผลไว้ยี่สิบสามฐานะเนไมมากกว่าสติปัฏฐานอีกไง สิบสามฐานะนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอาโดยสรุปก่อนนะคือที่เป็นรูปขันสี่เวทนาขันสี่นะสัญญาขันสี่สังขารขันสี่วิญญาณขันสี่นี่นะสัสตตตทิธิสี่อุเฉททิธิ ขออภัยสัตตถิ ท, ทีหนึ่งอุเฉทิทีหนึ่งแล้วก็วิจิกิจฉาอีกหนึ่งเนี่ยนะเท่าไหรแล้ว <20. S 1> ยี่สิบสามนะนตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะทั้งสาอ่าทั้งห้าประการนี้เรียกว่าสกายะทิทียี่สิบเนี่ยนะถ้ารู้จริงสกายะทิ ท, ทีแต่ละข้อทำให้ บล้มมรรคผลได้หมดเลยเ น, นี่ยถ้ารู้จริงศาสตาทิฏฐิก็ตรัสรู้ได้อุเชธาทิฐิก็ตรัสรู้ได้วิจิกิจชาก็ตรัสรู้ได้แต่มาดูว่าท่านรู้สิ่งเหล่านี้แบบไหนจึงอาสะวะทั้งหลายจึงสิ้นไป